พรู้ว่าหลบไปคิดก็หลุดออกมาแล้ะจิตมันเปลี่ยนอารมณ์แล้วจิตที่ไปเกาะนิ่งๆกับความเศร้าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนหละพอจิตไปจับอารมณ์มันใหม่ก็ทิ้งอารมณ์มันเก่า <นะ S 2> ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอย่ายมัวเศร้าอยู่นะเสียเวลาไม่ดีบางคนชอบนะเศสาวๆเป็นเยอะนะชอบสมวิญ ญ, ญาณนางเอกแกล้งเศร้าก็มีนะทําใจให้มันเศร้าๆให้รู้สึกสะใจแสบๆนะ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 รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเพราะฉั้นร่างกายเราเหลียวซ้ายแหลกขวารู้สึกนะในพระไตรปิฎกก็มีนะจะเหลียวซ้ายแลกขวาจะคู่จะเหยียดจะก้าวไปจะถอยหลังนะให้รู้สึกตัวนะถ้าไม่ได้บอกให้ทําอะไรนะถ้าไม่ได้บอกให้กําหนดด้วยนะท่านบอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวกับกําหนดในขวดลอันกันนะเดีย๋ยวไปปนกันกําหนดนี้มีโลภะเจตนาเกิดความจงใจที่จะทําอะไรบางอย่าง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 เสร็จแล้วก็จะเห็นเลยว่ารูปเดี๋ยวนี้กับรูปเมื่อกี้ไม่เหมือนกันนามเดี่ยวนี้กับ น, นามเมื่อกี้ไม่เหมือนกันนะเห็นไตร ล, ลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบเรียกว่าสมมัชนัญาณแต่ไปเห็นสภาวะจริงๆเลยเห็นรูปลงปัจจุบันเนกะิดดับของรูปเห็นนามตามรู้นามเห็นนามเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าอุทยพยาญญาถึงตรงนี้จิตสันตติคือความสืบเนื่องอย่าเริ่มขาดลนะแต่เดิมเราคิดว่าจิตมีอันเดียวรวด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 คือหนูฟังหลวงพ่อแล้วมันจะขาดขาดแล้วก็ไปรู้ว่าตัวเองคิดแล้วก็มาฟังเราเหมือนกระจิตมันไปที่ตาที่หูแล้วก็จะขาดหายเป็นช่วงเป็นช่วงนั่นเปนขาดปั๊บปั๊บป๊ป๊ไปนะจนฟังฟังหลวงพ่อไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเหรอถ้าฟังหลวงพ่อแล้วเกิดสภาวะนี้แสดงว่าฟังเป็นแล้วถ้าฟังหลวงพ่อแล้วก็รู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดนะฟังไม่เป็นหรอกอย่างนี้เมื่อเช้าไม่ใช่ว่าหนูฟุ้งซ่านไปใช่ไหมคะไม่ใช่แต่จิตไม่เหมือนตอนนี้นะไม่เหมือนถ้าจิตตอนนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ ส ก, การหลวงพ่อเชค่ะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเหลวงพ่อให้คําแนะนำมานะคะก็ลองไปปฏิบัติดูทีนี้ออพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่กําหนดแต่ว่าเราจะดูแล้วก็เห็นแล้วก็ภาพเนี่ยจะชัดขึ้นนะคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากอโดยที่ถ้าเรากําหนดเหมือนแต่ก่อนเนาะกาหนดไม่ทันแน่นอนันที น, ทนี้ภาพที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นชัดขึ้นเนี่ย บางครั้งก็มีความคิดเข้ามานะคะใช่แล้วก็เราก็จะเราก็จะรู้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ว่าอืมเรารู้ว่าคิดหรือว่าคิดคิดคิดแต่ไม่มีคําว่าคิดเนาจะถามว่าการปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องแล้วหรือยังคะแล้วก็อพอปฏิบัติไปสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเหมือนกับการเป็นดูภาพยนตร์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 จิตเป็นของบังคับไม่ได้เขาจะพูดเขาก็าพูดของเขาเองเดี๋ยวเขาก็เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเขาเกิดดับหมุนเวียนของเขาเองเ อ, อตรงนี้เรียนให้หลวงพ่อทราบตามตรงว่ายังไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์แต่ว่าเข้าใจว่าหลวงพ่อคงพยายามอธิบายว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าไตรลักษณ์ซึ่งเป็นบัญญัติใช่ไหมเจ้าคะใช่ต่อไปเนี่ยพอเราจะเห็นสภาวะอย่างนี้นะจนจิตมันแจ้งขึ้นมาเอง มันถึงจะสรุปออกมาแล้วถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยเราจะเห็นความเกิดดับในภาวนามยปัญญายางนันใช่ไหมใช่เห็นเองเห็นเองทีนี้หลวงพ่อบอกว่าให้มีผู้รู้ด้วยถามว่าในเมื่อเรารู้แล้วทำไมเราจะต้องมีผู้รู้ด้วยเขาไม่ชีไม่ต้องนะเพราะพ่อสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันทาไมไม่ชีไม่ต้องเาขาไม่ชีเนี่ยนะสติสมาธิอะไรพวกนี้มันดีอยู่แล้วทีนี้จะถามว่า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 ไม่ใช่ค่ะที่ที่เล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อกี้ตอนแรกอ๋อ<ช>นี่มันเป็นการเริ่มต้นเห็นความเกิดดับของรูปนามล้นะเป็นการเริ่มเห็นสภาวะแล้วถามว่าเป็นการเจริญวิปัสนาหรือเป็นรูปแบบเพื่อจะไปสู่การเจริญนาไม่ไม่ใช่ ร, รูปแบบนะต่อไปเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยเราเห็นตลอดเลยคือถามว่าที่เราเรู้และเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็เพียงแต่รู้แล้วก็เห็นแล้วก็รู้คิดถามว่าอันนี้เป็นการเจริญวิปัสนาใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะคือ เป็นกระบวนการที่จะทําให้เกิดวิปัสสนานะ เ, ออเป็นกระบวนการของมันมเสร็จแล้วตัววิปัสสนาเนี่ยคือตัวปัญญาคือหมายความว่าออทําต่อไปเรื่อย เ, อยเนี่ยมันจะได้วิปัสสนาญาณเองซึ่งขึ้นแต่และบุคคลถูกไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยที่ตามดูตามรู้คือการเจริญวิปัสสนาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่แต่ว่าถ้าเรานั่งสมาธิหรือกรรมาฐานก่อนเป็นรูปแบบเพื่อนําไปสู่การเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่า การเจริญวิปัสนาใช่ไหมเจ้าคะที น, นี้จะถามอีกข้อหนึ่งคือว่าในขณะที่เรารู้นะคะตัดคำว่าตามออกถามว่ามีเศษเสี้ยวของวินาทีที่ห่างกันหรือเปล่าเพราะว่าสติแต่ละคนจะไม่เท่ากันถูกไหมเจ้าคะบางคนอาจจะแบบโอเครู้ว่าเราโกรธตอนนี้อีกหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงต่อไปหรอถึงจะรู้ถามว่าการที่เรารู้สภาวะ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 แต่เสร็จแล้วมันจะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งระลึก ข, ขึ้นได้ว่าจิตดวงที่ดับไปสดสร้อนร้อนเนี่ยมีอภูสุลมีโมหะมันคือการตามดูนะตัวนี้ในภาษาปริยัติเขาเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติการดูจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสัน ต, ติจะไม่ใช่ปัจจุบันแท้เพราะงัน้นจะไม่มีทางเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยเกิดขึ้นช่วขณะหนึ่งก็ดับไปแล้วแม้กระทั่งพระอรหรันต์ใช่ พระรหันไม่ใช่คนที่ฝืนธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นจะมีเสษเชี่ยวของการตามรู้เศศเชี่ยววินาทีของการตามรู้ทีนี้จะถามว่าแต่จะไม่มีช่องว่างขั้นนะไม่มีช่องว่างหมายถึงว่าไม่ใช่เผลอไปชั่วโมงหนึ่งแล้วโกรธไปแล้วก็มารู้ว่าเผลอ อ, อ, อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจะถามว่าที่หลวงพ่อแนะนําให้ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะคะ คือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอกลับไปบ้านเมื่อวันเสาร์ก็ลองทําดูแล้วก็รู้สึกอย่างนี้<ม>ก็จะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันก็เหมือนถ้าจะเปรียบเทียบกับอุปมาอมไมจะเรียกได้ว่าเหมือนกับสักแต่เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนพระพะย่ะยะอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเจ้าคะใช่รู้โลปัจจุบันคือแบบเดียวกันใช่ทีนี้อีกคําถามนึงก็คือว่าวาระจิตสุดท้ายของเรานี่นะค ะ, ะการที่เราจะมีสติเช่นการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นการยากที่เราจะมีสติ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 ไปทีละขั้นนะนะเจ้าคะว่าสมมติถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยแล้ว เ, เรากําลังใกล้จะตายเมื่อใกล้วาระจิตสุดท้ายเนี่ยเรายังเจ็บเราก็รู้ว่าเราเจ็บหรือเรารู้ว่าเรากลัวที น, นี้เรายังมีสติอยู่เรากําหนดได้ถูกไหมเจ้าคะแต่บางครั้งหมอก็ฉีดยาให้บรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็ค่อยๆไปที น, นี้เนี่ยแม่ชีก็เลยจะถามว่าถ้าเรากําหนดอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่ากวาระจิตสุดท้ายเรามีสติเราจะไปดีถูกไหมเจ้าคะแต่ทีนี้เนี่ย ไม่ชีถามอาจจะเบาบัญญาไปนิดนึงจะเป็นการเซฟเพลย์เซฟไหมคะว่าสมมติว่าถ้าเรานั่งสมาธิ น, นะคไม่ใช่กรรมฐานกำหนดพองยุกนะคะนั่งสมาธิเรามีองค์พระใช่ไหมคะสมมาอาัลหังอันนั้นยังไงยังไงก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่ามีแรงส่งของบาลมีสมาธิคุ้มคลองอยู่ยังไงยังไงเราก็เห็นองค์พระกําหนดองค์พระได้อันนั้นเนี่ยจะเซฟกว่าหรือเปล่าคะเพราะว่าการที่จะให้กําหนด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 คำว่ารู้มีในยะสองอย่างซ้อนกันอยู่อย่างแรกคือมีสติรู้ตัวสภาวะที่กําลังปรากฏนั้น mm hmm. เช่นจิตมีโทสะรู้ว่าโทสะปรากฏอยู่อันที่สองคำว่ารู้เนี่ยหมายถึงรู้รู้ถูกต้องคือรู้ลักษณะว่าโทสานั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่คำว่ารู้ในยะของคําว่ารู้ในสติปัฏฐานเนี่ยนะครอบคลุมความหมายสองอันนี้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 <มา S 1> เราทาต่อขาเรียนถามท่านว่าเวลาเราจะตายเนี่ยเราคุณจะปล่อยให้ตายธรรมชาติโดยที่มีความเจ็บปวดไปเลยหรือว่าให้หมอฉีดยาแล้วก็ให้เราไปสบายส่วนมากเราไม่ค่อยได้เลือกนะเลือกเจ้าค่ะเ ร, เราสั่งไว้คนอื่นมันไม่ค่อยเชื่อเราเหรอกเลือกเจ้าค่ะตรงนี้หมอเขาจะให้เซ็นในใบเจ้าค่ะก็บอกเขาว่าไม่ต้องเอาท่ออะไรมาเสียบเราอะและ้วเราเจ็บปวดตายเหรอเจ้าค่ะก็ก็ไม่ต้องก็ฉีดยาก็ได้นะเอ่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 กาละที่เกิดขึ้นมีวิญ ญ, ญ, ญาณแล้วไอ้ น, นั้นหมายถึงปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแต่ในเซลล์มะเร็งไม่มีปฏิสนธิจิตนี่เพราะฉะนั้นในกาละมีวิ ญ, ญญาณอยู่แล้วมันก็เหมือนเนื้อก้อนหนึ่งเซลล์มะเร็งหรือกาละคะเซลล์มะเร็งแล้วพอเกิดกาละปุ๊บมีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นเลยทันทีอ้นั้นหมายถึงว่าชนกกรรมเนี่ยส่งผลให้เกิดละวิญญาณปฏิสนธิที่จิตเกิดขึ้นกาละเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วปฏิสนธิที่จิต เกิดขึ้นพร้อมกับกันละเกิดพร้อมกันละส่วนเซมมาเลงไม่มีปฏิสนธินะงั้นฆ่ามันไปเลยกราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อมากเจ้าค่ะแม่ชีฝึกนะหลวงพ่อขอเวลาแม่ชีเดือนหนึ่ง จ, จํ า, าได้ไหมใช่แม่ชีมาถามเพราะว่า <c oughs> ไม่อยากปฏิบัติผิดไปค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าสมมติเอ่ออันนี้หลวงพ่อบอกว่าแม่ชีปฏิบัติถูกแล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะแม่ชีทําต่อไปแม่ชีจะวัดได้ด้วยตัวเองเลยอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ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 ผมไม่ถามนะเชื่อโลกมีวิญญาณไห ม, <laughs> มการรัชกาลหลวงพ่อครับคืออยากจะ ส, สอบถามเพ่อนเองว่าการที่ผมมองเห็นเหมือนกับเป็นสายตามองลงมาหาตัวเองเนี่ยอันนี้คือดูกายอันนี้สิ่งที่มองเห็นตัวเองอยู่นี่คืออะไรครับก็คือจิตของเราคือจิตใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วกแตด่ด้วยกันถ้าเราโกรธถ้าเราโกรธ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 แต่ก็รู้ว่ามันวิ่งไปดูลมหายใจเห็นเลยตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเนี่ยเดีมันสับสนแล้วมันปวดหัวสับสนรู้ว่าสับสนปวดหัวรู้ว่าปวดหัวที่ปวดหัวเพราะว่าตั้งใจมากไปแต่ไม่ผิดใช่ไหมคะผิดสิตั้งใจมากไปผิดสิต้องต้อ ง, ต, องต้องผ่อน <c oughs> พยายามบอกตัวเองว่าให้ผ่อนค่ะ ใ, ให้ผ่อนคลายนะนนะรู้อย่างผ่อนคลายรู้ไปเรื่อยๆกราบขอบพระคุณค่ะน่นข้างหลังนั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 แสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยไม่มีลอยๆไม่มีข่บพระคุณค่ ะ, ะกับนรมสการท่านค่ะก็เทายกไม้สูงสูงเจ้าค่ะแบบนักร้องอะไอย่างเงี้ยกับนรมสการท่านเจ้าค่ะตะกี้นั่งอยู่ก็เห็นเห็นว่าเกิดขึ้นมาตลอดเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกดีมาก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 แม่ชีหนีไปแล้วแม่ชีดูออกไหมใจใจมันเคลื่อนอเดี๋ยวเดี๋ยคนนี้กัดก็ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรจะถามนะครับจิตเป็นไงขณะนี้มันก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งไงฮะนิดหน่อยมันไม่ตั้งมั่นดูออกไหมมัน<พ> อ, อยู่นอกๆมันไม่ถึงฐานของมันอ๋อครับ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 ภาระของเราก็คือการหยิบช่วยเอากายเอาใจขึ้นมานี่เองพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันเนี่ยวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบช่วยภาระขึ้นมาอีกถึงได้พ้นทุกข์แม่ชีใจรอยไปแล้วแม่ชีกลับนมัส ก, การหลวงพ่อจะผ่านไม่บัง <จะ S 1> คับคะนะแม่ชีเห็นไหมใจจะไปมันไปนแม่ชีรู้สึกไหมตรงที่รู้ว่ามันใจรอยเนี่ยตรงนี้นะ่ะคือภาวะแห่งความตื่นละ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 เขาจิตใจของเรานี่แหละไม่ธรรมดานะจิตใจพระอรหันต์ธรรมดานะจิตใจของเรานะ่ยผิดธรรมดาเพราะกิเลสแทรกแซงอ้าวว่าไปรับนำ้ำมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเออไตรามาสนี้กับไตรามาสที่แล้วแตกต่างกันชัดเจนมากเลยค่ะ ม, มีความตั้งมั่นมากขึ้นอเห็นกายเห็นใจชัดเจนมากขึ้นเห็นอารมณ์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ะค่ะรู้จักคําว่าอนิจจังด้วยตัวอักษรอื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 ย้มนั่งยิม้มคือเวลาที่สัมผัสถึงความรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยจะนั่งยิ้มอยู่ทั้งวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าายมากเนี่ยค่ะเห็นเห็นอาการกิริยาต่างๆสภาวะธรรมต่างๆชัดเจนมากขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะก็ดีละทำไปจนหมดกิเลสยังมีกิเลสนะดูไปทำไปเรื่อยๆโ น, น้นโน้นข้างหลัง หลวงพ่อคะเพ่งเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกหนูนั่นคือมิจฉาสมาธิใช่ไหมคะใช่งั้นถ้าเกิดเราเห็นว่ามันมีโมหะครอบตัวเพง่งถ้าเห็นโมหะมันก็หลุดออกมาได้ใช่จากเพง่งใช่ทีเดียตั้งมั่นขึ้นทีละขณะเ้คณิกะสมาธิตั้งมั่นด้วยคณิกะสมาธิตีละขณะทีละขณ ะ, ะ, ขณะดีดีกว่าเมื่อวานพอดีเมื่อวานไปเห็นโมหคะค่ะ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 ขอบคุณครับอ่าคุณนิดหลวงพ่อเจ้าค่ะไปเจอว่าพอมันเบื่อปุ๊มเนี่ยมันลงไปนิ่งเจ้าค่ะมันลงไปเลยนะมันไปนิ่งเฉยๆเจ้าค่ะพอมันเบื่อเจ้าค่ะไปนิ่งอะไรเจ้าค่ะเออนึกว่าไปดิ้นคือคือคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ามันไปอยู่นิ่งๆเจ้าค่ะทีนี้กลับไปแล้วไปเจอว่า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 ถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่มีทางมารูุมรรคผลนิพพานเลยงั้นเราต้องอดทนนิดหนึง่ง<อ>การรู้กายรู้ใจเนี่ยเราจะเห็นมันทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยเราไม่อยากรู้นี่ต้องฝืนใจนะทำใจให้สบายๆ ย, ยังไงก็หนีกายกับใจไม่พ้นก็าตามดูมันไปหนูเห็นมันคิดเองเจ้าคออมันคิดอเองแต่ตอนนี้มันหลง เ, งเองอีกแล้วรู้สึกไหมเออรู้สึกไหมใจมันกระโดดขึ้นมา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 <laughs> ไม่เฉพาหลวงพ่อหรอกเพราะจักขูวิญญาณจิตเกิดที่ละขณะเกิดระดับเมื่อเรามองหน้าลองมองคนข้างๆเราดิมองได้แว บ, บเดียวมองได้ไม่เต็มหน้ารู้สึกไหมเหมือนต่อจิกซอนะมองตรงนี้มองตรงนี้ตาซ้ายตาขวาจริงๆแล้วมันสภาวะธรรมทั้งหลายนะทั้งรูปทั้งนามนี่เกิดดับรวดเร็วมากเลยเนี่ยจิตแอบไปคิดอีกล้วค่ะหลวงพ่อเท่าไรที่ปฏิบัติมาถูกต้องแล้วใช่ไหมจงใจดีขึ้นละค่ายดูไปเลยดีขึ้นแล้ะ